กดัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเราก็ FM 106 นะคะเป็น เนราท่านไภบุลย์กันแล้วกันนะคะว่าวัดป่าดอนไห้สุอุดรธานีนั้นได้มี วันที่มีเหตุการณ์สําคัญๆหลายอย่างนะคุณโยมติวค่ะอย่างเช่นว่าเรื่องการตรัสรู้นั่นก็ 12 เนี่ย 28-29 วัน เป็นวันที่ 1 ที่ 2 ก็เคยบอกกับภิกษุไว้ 12 เนี่ยจึง ให้ไปจำไปสายอยู่ตามบ้านนั้นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นเอาแล้วมาอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์นี่ก็ก็<ใช> พระราโวยังไม่พูดถึงวิทยาการสมัยใหม่ที่มีไฟ<ใช> นะแต่ดวงจันทร์นี่ก็จะสว่างที่สุดสว่างกว่าดวง 2 อัน นําเปรียบเทียบให้ภิกษุเนี่ยเอ่อทําการนั่งสมาธิเจริญภาวนาพัฒนาจิตนะให้กายกับใจแยกออกจากแต่แม้ว่ามันไม่เนื่องกันมันแยกกันไปอย่าง เวลาเต็มดวงก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อถึงรอบของเขาก็จะเต็มสว่างมีความโดดเด่น เหตุกระอ่าทําในสิ่งที่สําคัญในวันหลายๆเหตุการณ์ใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าค่ะใช่ป่ะ ท่านพูดถึงเรื่องกรณีของการปฏิบัติละละที่ได้ นั่นนี่คือๆกันนะมันติดกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่เนื่องกันมันไม่เปียกกันค่ะคือเพื่อ hopefully the so yourself a light. Yeah., keep itiga. To do everything you can dig in. Right. A intuition. To do everything. So there is a�. To do everything you can dig in. Yes. I want new things. Like far, it'll be nice. So here we go. If it's it all you can dig more. So remember the mood. For first it's fun. Okay. Okay. big Aww. Oh, so I can give it to you every minute. Yeah. Because we can really dig more. You can move in. Whether it's cool. If it's so important. To do everything you want to take. It's so เช่นเงินหายาตายป่วยรักษาไม่หายเจอสิ่งที่ไม่ได้พอใจเนี่ยเราจะหวั่นไหว <ฮ ะ. S 1> เพราะฉะนั้นก็จึงมาถึงจุดที่ว่างั้นทําบนฟ้ากับดวงจันทร์ที่อยู่บนแสงสะท้อนบนผืน นะแกนก็ส่วน 1 ทะพีก็ส่วน 1 มันไม่ไม่ติดเหมือนเอ่อผสุดใกล้ๆกันนี่อีกเหมือนกันนะเอามือลูบไปใน <c oughs> ขาขาเรามีขาเรานั่งสมาธิมันมันจะไม่ อุปมาอุปมาอุปไมยนะคะโดยใช้เป็นเครื่องมือในการคือจุดประสงค์เนี่ย นะซึ่งซึ่งบางทีบางคนฟังอุปมาปรมัยนี่ก็ยังเข้าใจยากอยู่นั่นเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดโอ้มัน น้ำไม่เปื้อนมันเลยและนี่คือจุดที่พระเจ้าต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วเราหวือหวาวุ่นวายขึ้นลงตาม 8 นะเราทําไป ออกไปออกไปออกไปจนมันสะอาดหมดสะอาดหมดปุ๊บพวกสิ่งที่เป็น ทุกขะทรภแล้วเกิดที่ท่านบอกใช่มั้ยคะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะใช่แล้วจิตเนี่ยมันไม่หรืออืมเรา อ่าดิฉันคิดจะใช้คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดกับกับคนอื่นแต่มันมาใช่หรือใบบัวดอกบัวใบบัวอืมและ นะมันก็ไม่สว่างสบายเสถียงั้นนะเฉพาะในญาณที่ไปปฏิบัติธรรมโดยตรง<ใช> เพราะว่าถ้าสมมุติเราเราเข้าถึงสภาวะที่จิตเป็นอย่างนี้ได้นะเรา <คะ? S 1> จะมาช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเราสูงค่ะดิฉันเมื่อ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมาเป็นเรื่องของ รวมไปถึงประสบของสมเด็จพระจักรพรรดิตีนีด้วย 400 กว่าปีเนี่ยต้องเปลี่ยนโดยเขา ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการเผาพระศพถือและการเผาพระศพด้วยในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นนิยมการฝัง จะสูงเรื่องของการเผาถ้าหากว่าศึกษาตามแนวทางของพระ เป็นเป็นมหายานที่มาในภายหลังคิดว่าตรงนั้นถ้าเถรวาทหรือว่าที่ค่ะแต่จริงๆถ้าฟังมาถึง ลักษณะของนิกายกันไตมีความละเอียดของวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปใช่ๆก็จะเป็นแตกค่ะแต่นี่ก็ว่า อ่าท่านผู้ฟังที่เคารพคะเราก็คงต้องกราบนมัสการพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราค่ะเรียนท่านทางฝั่ง